พล่ลุงเนรเคยมองว่าตัวเองเป็นปัญหาไหมโดยธรรมชาติเนี่ยเรามักจะโทษคนอื่นเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะโยนฝากผิดให้คนอื่นแต่ถ้าเรามาเรียนธรรมะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะเริ่มรู้จักตัวเองเริ่มรู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่บางครั้งก็ทำผิดซะเองเพราะการที่เราโทษคนอื่นเนี่ยบางครั้งก็สร้างความขัดแย้งให้กับตัวเองและคนอื่นด้วย แต่ถ้าเราเห็นว่าตัวเรามีมความผิดเนี่ยและปรับปรงตัวเองเนี่ยการพัฒนาตนเองก็จะเริ่มขึ้นเพราะที่ลูกเนมาเรียนธรรมะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เพื่อจะรู้จักตัวเองเพื่อรู้ที่ัยตัวเองว่าเราเป็นคนยังไงกันแน่เราเป็นคนโลภคนโกรธคนหลงคนขี้ฉาคนขี้เปรียบเทียบคนน้อยใจคนยิงคนดือ้อถ้าเราเริ่มรู้จักตัวเองเนี่ย ปัญหาต่างก็จะแก้ได้แก้ไขแต่หลวงพ่อจะเล่านิทานให้ลูกเรียนฟังเพราะถ้าเกิดเราพูดแบบนี้ลูกเรียนก็จะไม่เข้าใจเพราะธรรมะบางทีออกมาในรูปแบบนิทานก็ได้มีชา ย, ยคนหนึ่งชื่อว่าสมชายสมชายจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือมีแก๊สในกระเพาะมากแล้วก็ตดทั้งวัน ส, สมชายรำคาญมากจึงไปปรึกษามหมอแ้่ก็บอกหมอว่าผมเนี่ยหายลมทั้งวันเลย แต่มันก็ไม่มีเสียงแล้วก็ไม่มีกลิ่นแต่ก็เกิดความำคาญอยากให้หมอเนี่ยช่วยจัดยารักษาให้หายหมอก็ฟังสมชายไปแล้วก็นั่งหน้าเบ้นั่งเหมือนคนเนี่ยเบื่อโอรคอ่ะะสมชายผายลมหลายครั้งแล้วคือคุยกับหมอไปก็ตดวจไปแล้วสักพักหนึ่งหมอก็จัดยาให้แล้วบอกว่าถ้ายาหมดอะ่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งก็กลับมาหาหมอใหม่นะเพื่อเพื่อเช็คอาการ สมชายก็รับปากอาทิษฐานผ่านไปสมชายมาถึงก็มาโวยวายกับหมอเลยหมอให้ยาอะไรผมเนี่ยเมื่อก่อนผมตดไม่เคยเหม็นไปตอนนี้เหม็นมากเลยเหม็นบันไรเลยยาอะไรเนี่ยหมอก็หัวเราะชอบใจอืมตอนนี้ยาเขาหมอเนี่ยรักษาได้ผลไปแล้วครึ่งหนึ่งคือรักษาการรับรู้ของกลิ่นแต่ต่อไปเนี่ยคุณต้องเอายาไปกินอีกเพื่อจะได้รับรู้ของเสียง พ่อสมชายเนี่ยตดเสียงดังแล้วก็เหม็นด้วยแต่สมชายเนี่ยคิดว่าตัวเองตดก็ไม่มีเสียงกลิ่นก็ไม่มีอันนี้เป็นการเข้าใจตัวเองผิดไงแล้วหมอจ่ายยาไปเพราะลูกเรียนเป็นอย่างนี้ไหมเวลาเราตดเองเนี่ยเราแกล้งไม่รู้ไม่ชี้แต่ถ้าเราเป็นคนที่ตรงไปตรงมาแล้วบอกผมตดครับบอกเพื่อนไปเพื่อนก็นรับได้แต่งทีถ้าเราเจ้าเล่ห์เราก็ตดตดแล้วเราก็ไม่รู้ไม่ชี้แหละแล้วก็โทษคนอื่นด้วยนะว่าคนอื่นตดอันนี้คือทิศสายอกิเลส ลูกในจะมองข้ามพวกกิเลสพวกนี้นะถ้าเราไม่รู้ตัวกิเลสตัวเองเนี่ยเราจะไม่มีการพัฒนาตัวเองเลยมาที่ฐานเรื่องที่2มีผู้หญิงอยู่คนหนึง่งเป็นนักธุรกิจขณะที่รอเครื่องบินอยู่นั้นเธอก็ลงมานั่งก็มีชายหนุ่มคนนึงเนี่ยนำขนมคุกกี้อยูมา ก, กินผู้หญิงเข้าใจผิดไงคิดว่าคุกกี้เนี่ยเป็นของเธอชายหนุ่มเนี่ยหยิบมา ก, กินหน้าตาเฉยเลยเธอก็ด่าและจว่าโอ้โหคนไรหน้าด้านจังชายหนุ่มเนี่ยขณะกินคุกกี้ไปก็เชิญเธอกินด้วยนะ เขานังติดกันแหละผู้หญิงก็มีฟอสตัวเองเป็นเจ้าขอคุกกี้แกก็เลยเอามือเข้าไปในถุงแล้วหยิบมากินผู้หญิงกินคำหนึง่งผู้ชายกินคำหนึง่งฝ่ายชายได้อารมณ์ดีแต่ฝ่ายหญิงก็ลมเสียเพราะฝ่ายหญิงมีความรู้สึกว่าฝ่ายชายเนี่ยขโมยคุกกี้ของเธอมากินหน้าตาเฉยเลยแกแล้วก็ไม่ขอบใจเธอด้วยจนถึงเวลาขึ้นเครื่องบินเนี่ยเธอก็ไปไปตรวจดูกระเป๋ากเป๋าอะไรก็เจอห่อคุกกี้อยู่จึงรู้ว่าเมื่อกี้เนี่ย เธอเข้าใจผู้ชายผิดแล้วเพราะว่าตัวเธอที่แหละไปคนที่หน้าด้านไปไปกินคุกกี้เขาเพราะคุกกี้เนี่ยของชายหนุ่มไม่ใช่ของเธอที่มันเหมือนกันไงลูกเรียเคยเป็นไหมเราทีเราเข้าใจคนอื่นผิดคิดว่าทิดว่าเราถูกแต่บางครั้งก็ไม่ใช่บางครั้งก่อนจะโทษคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องต้องตรวจท้ายเรียบร้อยบางทีเราของหายหรือว่าผิดตำแหน่งเราก็โทษว่าเพื่อนเนี่ยเอาไปหรือเปล่าประโยน์พอผิดให้เพื่อนหรือโยน์พอผิดให้คนที่น่าหงษัยซึ่งเรื่องนี้ก็มีหลายเคสแล้วที่ไม่ใช่ อย่างอาจารย์พิสตาเคยเล่าให้ฟังนะว่ามีชายคนหนึง่งแกนะ่ะลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้านแล้วแกก็หาเท่าไหร่เทไหร่ก็ไม่เจอนะแล้วเจอชายอีกคนนึง่งหน้าตาก็น่าสงสยัยนักคนนั้น ใ, ใกล้ๆแหละแล้วก็สงสัยว่าไอ้ชายคนนี้เอาโทรศัพท์ไปหรือเปล่าเริ่มระวแวงแล้วปรุงแต่งแล้วก็ไปพูดจะหาว่าเขาขโมยโทรศัพท์ตัวเองอีกจะขอคน้นขออะไรเนี่ยชายนั้นก็บอกไม่รู้เรื่องเลยแต่เพื่อหน้าตาม็น่าสงสยนะัยไงเหมือนมีพิรุษจึงขอยืมโทรศัพท์ของชายคนนี้แหละ โทรเข้าหาเบอร์ตัวเองเพื่อจะตรวจดูว่าโทรศัพท์อยู่ไหนคันโทรไปปุ๊บเอา้าเมียที่บ้านรับสายแล้วก็ด่าด้วยบอกทาไมไปทํางานไม่เอาโทรศัพท์ไปด้วยชายคนนี้ถึงร้องอ๋ออ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเราลืมโทรศัพท์ไว้บ้านแต่เราโทษคนทุกคนนี้เลยต้องขอโทษชายที่ไปข่มขู่พู้จะข่มขู่เขาไว้แล้วโทษเขาอันนี้ก็บางครั้งก็เราก็โทษคนอื่นจะลืมดูความสียาพตัวเองได้เราต้องตรวจตายเรียบร้อยก่อน มาเรื่องที่สามมีคุณลุงอยู่คนหนึ่งคุณลุงคนนี้เป็นโรคหัวใจแล้วก็ป่วยหนักตอนนี้เราอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลเนี่ยแกได้ซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วเพอเอิรลลอตเตอรี่ที่แกซื้อเนี่ยถูรางวัลสิบสองล้านทีนี้ลูกหลานก็ดีใจนะแล้วก็อยากจะไปบอกลุงคนนี้แหละแต่กลัวแกจะช็อกตายไม่รู้จะ ท, ทาไงดีจึงไปปรึกษา หลวงพ่ออยู่คนหนึ่งซึ่งท่านผู้ธรรมะเก่งและเป็นพระนักเทศไปถึงก็บอกหลวงพ่อใช้ธรรมะนําทางนะเพื่อให้ลุงเนี่ยมีความสงบจะได้รับโชคลาภหุย่ยสองล้านได้โดยที่ไม่ช็อกตายหลวงพ่อก็รับปากไปถึงโรงพยาบาลหลวงพ่อเนี่ยก็พูดธรรมะกล่อมลุงคนนี้แหละชักไม่นับต้องห้าเลยบอกชี้ให้เห็นความมีลาภชี้ให้เห็นฟ้ า, มม า, ฟามไม่เที่ยงต่างๆเนี่ยจะลุงเนี่ยจิตใจสงบไง แล้วก็วกเขาเรื่องบอกถ้าโยมเนี่ยถูกหวยรัสองล้านเนี่ยโยมจะทำไงเงินก้อนนี้ลูกคนนี้ก็บอกผมวไม่นานก็ตายแล้วก็จะนำเงินสิองล้านเนี่ยมาแบ่งให้ลูกๆแล้วก็เหลือบางส่วนไว้ใช้เองตอนแก่แล้วคํานวณดูแล้วก็น่าจะเหลือประมาณสามล้านผมว่าจะยกให้หลวงพ่อเนี่ยเอาไว้สร้างโบสถ์สมล้านหลวงพ่อก็บอกจริงเหรอลูกคนนี้ก็บอกจริงดิถ้าถูกจะให้แน่นอน หลวงพ่อเนี่ยในชีวิตเนี่ยไม่เคยมีคนมาถอยเงินแม้แต่แสนเดียวเราไม่ได้พูดถึงกันล้านหรอกที่หลวงพ่อก็เป็นโรคหัวใจเนี่ยพอหลวงพ่อพอฟังว่าลุงมันจะให้เงินสามล้านเนี่ยผลปรากฏว่าหลวงพ่อหัวใจวายตายลุงไม่ตายเพราะหลวงพ่อรื้ดูตัวเองไงว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นโรคหัวใจแล้วไปพูดให้คนเป็นโรคหัวใจฟังอันนี้พวกลุงเนี่ยระวังนะบางทีเราจะเป็นแบบหลวงพ่อคนนี้ก็ได้ไปช่วยคนอื่นแต่ตัวเองเป็นซะเอง เสร็จเลยอีนิทานอีกเรื่องหนึง่งวันนี้หลวงพ่อจะนําเ ร, รื่องสรุปสรุปมาเล่าไม่ค่อยนําเรื่องซีเรียลหรอกเพราะว่าพวกลูกเนเนี่ยอาจารย์น้อยก็พูดเรื่องธรรมะขั้นสูงหรือเรื่องอะไรที่นั่นมากแล้วหลวงพ่อจะพูดเรื่องแบบธรมธรมดาธรรมดาโลกๆไปที่ชนบทแห่งหนึง่งหมู่บ้านแห่งนี้มีผู้ใหญ่บ้านชื่อโกผู้ใหญ่โกเนี่ยก็ได้จัดงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ซะใหญ่โตเลยโดยเชิญแขกเหลือวามากมายแขกที่มาในงานเนี่ยก็มีอาแปะ อแปะเนี่ยมาจากเมืองจีนมาอยู่เมืองไทยแล้วก็สนิทกับผู้ใหญ่โกมากคันถึงเวลาพระทานอาหารเสร็จแล้วพระให้พรพระก็ให้พรว่าอายุวัฒโกอาทนาวัฒโกอศิริวัฒโกยาสาวัโกภลาวัฒโกวันณาวัฒโกสุขวัฒโกอแปะเนี่ยได้ยินดังนั้นเนี่ยขนลุกสู้เลยเพราะว่า โ, โหเดี๋ยวนี้ก็ให้พรขนานี้เถอเลยให้พรอวยพรให้เจ้าภาพเนี่ยแกซึ้งใจมากเลยก็คิดด้วยใจว่าภายภาคหน้าเนี่ยจะต้องนิมนต์พระชุดนี้ไปทําบุญขึ้นเดือนใหม่บ้างหลังจากเสร็จงานนี้ไปอแปะก็วางแผนจะจัดงานขึ้นเดือนใหม่ของตัวเองบ้างจึงไปบอกผู้ใหญ่โกเนี่ยให้เชิญพระชุดนี้นะเก้ารูปพระชุดอื่นไม่เอาเด็ขาดและแล้ววันที่รอคอยก็มาถึงอะแปะนี่ก็ยิ้มล่าเลยต้อนรับแขกพราะแขกมามาเต็มบ้านเนี่ย ทักทายคนทุกคนนี้อย่างมีความสุขแล้วก็คันถึงเวลาที่อาแปะรอคอยแหละตอนให้พรพระก็อายุวัฒนโกอาธนวัดทกโกศริวัดทโกยาสวัดทโกอะแปะเครียดเลยตอนนี้อาแปะก็บอกว่าว่าชื่อแปะนะไม่ใช่โกทักท้วงไว้พระที่สวดก็รู้แล้วว่าอะแปะต้องการอะไรแล้วอย า, ากจะภาพมีความสุขอะจึงเปลี่ยนบทสวดเป็น อายุวัตทะแปะธนาวัตทะแปะเิริวัตทแปะยสวทแปะอ่แปะนี่จบอ่าแปะหัวรอชอบใจใหญ่เลยเออนี่มันต้องอย่างนี้อ่ะเนี่ยมันต้องอย่างนี้นี่ถ้าเกิดพระเขาไม่รู้ทันนะเขาสวดอายุวัตตะโกเดียอ่าแปะก็ทุกข์ละเพราะอาแปะคาดหวังไงคาดหวังว่าพระทีมนี้จะต้องสวดอายุวัอ า, อายุวัตะแปะ แต่ที่จริงแล้วเราคาดหวังอะไรไม่ได้สมัยก่อนเนี่ยลูกเดงของเกิดไม่ทานหรอกเบื้อประมาณปี1982เนี่ยตอนนั้นสเปนเนี่ยเป็นเจ้าภาพบอลโลกตอนนั้นบาร์ซิลเปนเ็งหนึ่งคนในประเทศบาร์ซิลเนี่ยมีความคาดหวังว่าบาร์ซิลจะต้องไปแชมป์โลกสมัยก่อนบาร์ซิลเตะกับพวกรัเสเซียเตะกับพวกทีม ย, ยุโรปเนี่ยอย่างน้อยก็มี 3-0 4-0 เป็นเรื่องธรรมดาเลย พอเขมองว่าบาซิลเนี่ยเป็นบอลคาสติกชั้นเชิงเหนือกว่าบอนนลพลาชั้นฉั้นจึเป็นจะมีความคาดหวังจากแฟนบอลสูงมากบาซิลน เ, นเคยเป็นแชมบอลโลกสามสมัยก่อนหน้านั้นนะยุคสมัยเปเล่สมัยที่เปเล่ยงังเตะอยู่อ่ะผลหลังจากปี1970ไปบาซิลก็ห่างเหือจากปร ก, กาศเป็นแชมป์พอบาซิลตกรอบทีไยนะแฟนบอลฆ่าตัวตายทุกที1982เนี่ยบาซิลก็าพลาดแพ้ อ, อิตาลีในรอบ แบ่งกลุ่มอะตอนนั้นเพอรญเอประมาทเพอร์เอเปาโลลอสซี่เนี่ยทำแฮคติกขึ้นมายิงบาซิลึงสามลูกบาซิลยิงได้สองลูกเองเลยตกรอบแฟนบอลนเนี่ยผิดหวังมากฆ่าตัวาตายกันเยอะแยะเลยผมขับไม่ได้ที่บาซิลแพ้แล้วหลังจากนั้นอีกสี่ปีต่อมาเนี่ยปีหนึ่งเก้าแปดหกแข่งที่เม็กซิโกบาซิลก็ไปเจ็งหนึ่งอีก คนก็บอกว่าบาซินเนี่ยน่าจะเป็นแชมป์โลกอีกเพราะว่าจะมีมีดาราดังอยู่ในทีมเยอะไม่ว่าจะเป็นซิโก้แล้วก็ฟันเกาแล้วก็อีกหลายคนเผลอปีนั้นน่ยดีโก้มาลอน่าเนี่ยท็อปฟอร์มแล้วก็พาเจนนาฟาแชมป์โลกแต่บาซินเนี่ยด้วยความประมาทมาเจอฝรั่งเศสในรอบแทีมสุดท้ายเนี่ยฝรั่งเศสก็มีมิเชพารินี่แล้วก็มีดารารับโลกหลายหลายคนเลย บาซินก็มีความสูตรต้องชนะฝรั่งเศสแน่พระเตะไปเตะมากลายเป็นเสมอกันแล้วก็ต้องมายิงลูกโทษบาซินก็แพ้ลูกโทษไปตกรอบแปดทีสุดท้ายทําให้แฟนบาซินต้องคาดตัวตายอีกต้เยอะแยะเพราะว่าแฟนบอลคาดหวังว่าจะต้องไปแชมป์โลกพอหลังจากนั้นบาซินก็กลายเป็นบอลธรรมดาไปเพราะว่าเตะกับพวกทีมยุโรปบางทีก็แพ้มั่งชนะมั่งเสมอบ้าง เพราะว่าพวกยุโรปเนี่ยพัฒนาฝีเท้ามาจนอยู่ระดับใกล้เคียงกันแฟนบอลก็ไม่คาดหวังแล้วตอนนี้บาซิลแพ้ก็ไม่คาดตัวตายแล้วคือบาซิลก็เตะกับพวกสเปนเตะกับพวกเยอรมันเตะกับพวกอังกฤษอะไรพวกนี้ยเตะกับพวกอิตาลีต่างๆเนี่ยแพ้ได้สเสมอได้ชนะได้พอแฟนบอลไม่คาดหวังก็ไม่คาดตัวตายขนาดเมื่อปี2014เนี่ยเป็นในเนี่ยจะพลาบอลโลกนะ บาซินเนี่ยผู้ลูกเดนเขา อ, อาจจะดูอาจจะทานรอบสี่ที่สุดท้ายเนี่ยเจอเยอรอมันโดนเข้าไปเจ็ดลูกก็ไม่เห็นมีใครคาดตัวตายเลยคือเขารับได้แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ไม่ได้นะเพรามื่ก่อนขาคาดหวังไม่สูงว่าบาซินจะแพ้ไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ลูกเนนเนี่ยเวลาเจออะไรก็อย่าไปคาดหวังไม่ให้มากนะัะเราก็เผื่อๆไว้บ้างก็ฟ้าผิดหวังในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนจะหลบพ่อ เ, เจออะไรผิดหวังามากเลยพอผิดหวังแล้วก็เออก็ดีเนาะ ก็ผ่านไปบางครั้งก็สมหวังบางทีก็ผิดหวังค่าฮะก่อนไปแต่ช่วงที่เราสมหวังเราก็ไม่ดีใจเกินเหตุช่วงเราผิดหวังเราก็รับได้ผิดหวังบางทีแม้จะเป็นทางโลกทางธรรมอาจจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดอุบัติเหตุการงานผิดพลาดไม่ดังใจเราหรือคนคนนี้เกลียดเราหรือคนไม่รักเราหรือขัดแย้งกับคนในวัดอะไรต่างเนี่ยสิ่งอะไรที้เกิดขึ้นได้ ผู้ลูกเนรกับศิลจ์รินีเนี่ยกลับบ้านไปเนี่ยจะต้องเจอแน่นอนสิ่งที่ผิดหวังบางวันอาจจะโดนพ่อแม่ตีก็ได้ถ้าเราไปขัดใจท่านหรือไปขอของอะไรท่านไม่ให้เงี้ยเราก็ต้องผิดหวังแล้วแต่ถ้าเราเจอสิ่งที่ผิดหวังเราก็เออ็ดีเนาะไม่เป็นไรทุกอย่างก็ผ่านหมดเราก็ไม่ทุกข์กับเรื่องนั้นขอพ่อแม่พาไปดูหนังเรื่องที่เราชอบอ่ะพ่อแม่ไม่ว่างพาเราไป เราก็ไม่โกรธท่านขอมือถือท่านไม่ซื้อให้ก็ไม่เป็นไรขออะไรต่างเนี่ยท่านท่านไม่ได้เป็นไปนดังใจเราเนี่ยเราก็ไม่โกรธเราก็รักษาใจให้เป็นปกติได้ถ้าเกิดลุกเนรกลับกลับบ้านไปแล้วเอาแต่จใจตัวเองอยากได้อะไรต่อให้ได้เนี่ยภัยทางพระหน้าเราจะต้องทุกมหาศาลเลยไม่ทุกธรรมดาเพราะไม่มีอะไรเป็นไปนดังใจเราหรอกในโลกธรรมแปประการเนี่ย มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีเสือเถอไม่ยินทาต้องเกิดขึ้นเรามีทายเรื่องหนึ่งเรื่องคล้ายๆะแปะแหละมีคุณนายคนหนึ่งแกไปชื่อว่าคุณนายโตเป็นเมียตำรวจคุณนายโตก็มีความสนิทกับพระครูอยู่วัดหนึ่งแกเป็นคนใจบุญนะแกจะใส่บาตรทุกเช้าเลยแล้วถึงวันงานบันเกิดเนี่ยคุณนายโตก็นิมนต์พระครูที่สนิทเนี่ย มาฉันอาหารเพนที่บ้านพระครูกับคุณนายก็ทักทายกั น, นปกติเพราะว่าสนิทกันหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วถึงเวลาให้พรพระครูก็ก็ให้พรว่ายะถาวลีวหาปูลาปริปูเลนตีสาขารังเอวะเมวะอีโตทินังเผอิญครับว่าอิโตทินังเนี่ยพระครูเรื่องช้าไปหน่อย คุณนายก็โกรธพระครูบอกเมื่อกี้เนี่ยอยางเรียกคุณนายอยู่เลยพอตอนฉันเสร็จแล้วมาเรียกอีโตได้งไงพระครูทํานี้ไม่ถูกนะคือทํานี้ไม่ให้เกียรติกันเลิกนับถือแล้วคุณนายโตก็เลยผลักเผือกพวกเข้าขอกระจายเลยแล้วก็โกรธพระครูพระครูอธิบายเท่าไหร่ก็ไม่ยอมฟังว่าเนี่คือบทสวดมนต์นะคุณนายโตเข้าใจบุญจริงแต่แกก็บีอัดตาเยอะไงมีควาถือตัวกู เนี่ยตัวกูนะต้องให้เกียรติพอพูดไปแผละเนี่ยรับไม่ได้ไปเสดแล้วคุณนายโตก็เลิมใส่บาตวัดนี้เลยตอนพระครูพาลูกวัดมามาบิณฑบาตหน้าบ้านคุณนายโตก็ไม่สนใจคันถึงงานวันเกิดอีกครั้งหนึ่งคุณนายโตก็ไปนิมนต์เจ้าเจ้าคุณอีกวัดหนึง่งที่อยู่ไกลเจ้าคุณก็ถามคุณนายโตว่าเอา้าพระครูอยู่ ใ, ใกล้ทำไมไม่ไม่นิมนต์ล่ะ คุณนายโตก็เล่าให้ฟังว่าอย่างงี้ๆเป็นอย่างนี้ไม่ไหวเลยอยู่ๆฉันเสร็จไปแล้วอีโตเจ้าคุณจึงรู้อะไรไปอะไรก็จึงรับกิจที่มลมางานวันเกิดนั่นแหละคันฉันเพลเสร็จแล้วถึงเวลาให้พรเจ้าคุณก็ให้พรว่ายาทาวรีวะหาปูราปริปูเลนตีสาลรง คุณนายโตทินนางเตตานางคุณนายโตตบมือดังฉาดเลยโอ้โหมันต้องอย่างนี้เนี่ยมันต้องอย่างนี้อันนี้อันนี้เจ้าคุณเนี่ยทําให้คุณนายโตสมหวังนะถ้าเกิดถ้าเกิดเจ้าคุณไม่ทำให้สมหวังคุณนายโตโอเคดิพะลูกเนยก็อย่าลืมว่าไม่มีใครทําเราสมหวังได้ตลอดรอกอะไรก็ผิดหวังได้อันนี้เป็นนิทานนะไม่ใช่เรื่องจริง นทิทายหลวงพ่อยกให้เป็นตัวอย่างให้เฉยฟุตบอลของประเทศกีตเนี่ยไปประเทศเป็นคล้ายๆเกรดบีของยุโรปเอียงไปทางเกรดซีด้วยซ้ําไม่มีใครคาดว่าจะได้ไปแชมป์ยุโรปนะลูกเนเรเคยได้ข่าวไหมกีตเป็นแชมป์ยุโรปฟุตบอลยุโรปไม่มีใครคาดถึงตอนนั้นโปรตุเกสเป็นเจ้าภาพฟุตบอลยุโรปทีมเต็งหนึ่งก็ฮอลแลนด์โปรตุเกสฝรั่งเศสอะไรพวกเนี้ยฝรั่งเศสก็มีพวกซีดานอยู่ มีหลายตัวระดับนักเตะระดับโลกเลยแต่พลสุดท้ายทีมกีดหรือหมู่ของยุโรปเนี่ยฟ้าแชมป์ยุโรปเฉยเลยเพราะว่าไม่มีใครคาดหวังจากทีมนี้นักเตะสา ม, มัคคีกันช่วยกันวิ่งไลฟ่ฟุตบอลฟุตบอลอยู่ไหนนักเตะอยู่ที่นั่นแล้วก็เล่นกันเป็นทีมไม่มีดาราคือเขาสามารถล้มทีมที่มีดาราทุกทีมจนสร้างความแบบตกตะลึงทั่วโลกว่าบอลรองเนี่ยสามารถ ชนะบอลทีมเตงได้โดยการโค่นฝรั่งเศสโค่นโปรตุเกสในรอบชิงมีเรื่องฟุตบอลเหมือนกันเมื่อปี1982เนี่ยฝรั่งเศสเจอเยอรมันในรอบตัดเชือกลุงเนยเชื่อไหมฝรั่งเศสยิงนำเยอรมันทั้ง 3-0 เยอรมันเนี่ยก็ไม่ถอดใจ ย, ยอมแพ้จนใกล้หมดเวลาเหลือใกล้นาทีสุดท้ายไม่กี่นาทีเนี่ยเยอรมันเนี่ยตบดที่นกหวีดไม่หมดเวลาจะต้องบุกต้องบี้ แล้วก็ทําสําเร็จเริ่มมาตีไข่แตกเป็นสามหนึ่งแล้วก็เริ่มมายิงตีตื้อไปสามสองทุนเวลามายิงมาสามสามแล้วก็มาเนี่ยมาดวลลูกโทษชนะฝรั่งเศสเฉยเลยช็อกชาวฝรั่งเศสเพราะว่าน้ามศูนเนี่ยยังไงต้องแ บ, บ่เบอร์ละเพราะว่าเหลือไม่กี่นาทีจะหมดเวล า, าลูกเนยก็ต้องเรียนแบบเยอรมันเวลาทําอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งยอมแพ้ต้องสู้จนถึงที่สุด เมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่กุฎเบอร์สิบสองนะหลวงพ่อนั่งอยู่การกุฏิน่ะแหละ ว, วันหนึ่งมีงูตัวหนึ่งงูเขียวนะหูเขียวตัวใหญ่นะมันเลื้อยขึ้นมาบนกุฎตุ๊กแกอ่อหมือนกุฎได้สิบกว่าตัวโอ้โหมันวิ่งอยู่กุฏสะเทือนเลยเพราะว่าตุ๊กแกมันกวางงูวิ่งกันคู่คูับหลวงพ่อสังเกตดูเอ๊ะมันมันกลาวงูจนเวอร์หรือเปล่างูตัวเดียวอ่ะแล้วงูนี่ม า, า, มาจากมาดองอาจนะ เที่ยวไปไล่ตุ๊กแกตัวนู้ตัวนี้จนเขาจนมันขวัญหนีดีฟอฟะแต่ไล่จนจนตอกผลสุด ท, ท้ายเนี่ยตุ๊กแกรวมพลังกันตุ๊กแกมันพึ่งนึกได้ว่าเฮ้ยพวกเราเยอะกว่านี่มีตั้งสิบกว่าตัวมันก็ลุ้มไล่กัดงู <c oughs> ทีนี้งูตอนหลังนี่หงูเนี่ยหนีก็เจอเลยหนีตายผ่านหน้าหลวงพ่อไปงูนี้ไม่กลัวหลวงพ่อนะเห็นหลวงพ่อนั่งเนี่ยเหมือนกับไม่เห็นอยู่ในสายตา แต่ตอนมันลงมามันขึ้นมาอย่างราศีแต่ตอนมันลงไปอ่ะลงไปอย่างกับหมาเลยคล้ายๆว่าไม่มีบทราศีอันนี้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นสามัคคีคือพลังถ้าเราแตกสามัคคีปุ๊บเนี่ยเราก็อดแอบางครั้งถ้าพวกลูกเนรนร่วมมือร่วมใจการช่วยกันทํางานต่างๆเนี่ยคนไม้คนละมือปั๊บเดียวก็เสร็จช่วยกันฝ่ายใบไม้ปั๊บเดียวก็เสร็จถูสาราปั๊บเดียวก็เสร็จเวลาพี่เลี้ยงสั่งให้ช่วยทำงานอะไรเนี่ยร่วมมือกันปั๊บเดียวเสร็จหมดเลย แต่ถ้าเกิดเราเกี่ยมกันเอ้ยผมไม่ทำหรอกคุณทำสิคนโน้นเเกี่ยงไปเกี่ยงมาเอาเปียบอะเอาเปียบเพื่อนก็ไม่เสร็จเพราะว่าจิตอาสาจะมีความสุขกว่าจิตที่ไม่อาสานะอย่างพี่เลี้ยงพราหลายคนเนี่ยที่มาช่วยลูกเนรเนี่ยหลวงพ่อนับถือคือหลวงพ่ออายกับหลวงพี่นุยสองคนนี้ ไอเดินทางมาจากอินเดียยังไม่ได้พักเลยหลวงพ่อไอ้ผอมลงเยอะใช่ไตอนนีนะ้สังเกตนะเพราะว่าแกไม่ได้พักผ่อนแล้วก็เดินตักตํามตั้งแต่เช้าถึงบื้อพอเผื่น้าไม่ได้อาบด้วยจีบอลก็หาวเวลาฟักสักยากแล้วกลับถึงเมืองไทยด้วยความเป็นหัวลูกเนนตอนแรกวางแผนว่าจะพักแค่สมวันนะที่ไหนได้วันเดียวโผล่มาแล้วหลวงพ่อยังงงเลยหลวงพ่อหนุ่ยกเหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาห่วงลูกเนนกัน เขาจิตอาสาเนี่ยไม่มีใครบังคับเขามาเขามาด้วยความเต็มใจแล้วก็ทําทเต็มที่เขาก็มีความสุขนะเขาเห็นลูกเนนเป็นเด็กดีไม่ดื้อก็เลยมาช่วยดูแต่ถ้าลูกเนนดื้อพูดแล้วไม่เชื่อฟังเนี่ยก็าอาจจะทําร้ายน้ําใจเขาก็ได้พอเข้ามาช่วยเดยไม่หวังผลตอบแทนคิตที่จะให้ดีกว่าจิตที่คิดจะเอาเพราะว่าถ้าเราคิดจะเอาปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดความโลภจิตมันจะเรียกร้องและคาดหวังแล้ว พอไม่ได้เป็นดังใจเราเนี่ยเราก็จะทุกข์ถ้าเกิดเป็นไปดังใจเราเราก็สมหวังนี่กูเรื่องของกูก็มีปัญหาล่ําไปแหละแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจเรื่องตัวกูนะเราก็ไม่ค่อยดือ้อเราก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไปขอไม่เที่ยงเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยเป็นเด็กแบบลูกเดเมื ก, ก่อนแหละเดี๋ยวนี้หลวงพ่อก็อายุห้าสิบแล้วแก่แล้วเดีย๋ยวลูกเดมก็จะแก่กว่าหลวงพ่อแหละแก่ไมไ่เรื่อยเพราะว่าสังขารเนี่ยมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่ได้อยู่ใดใต้อํานาจ บัะคับประชของเราแต่ถ้าเราประมาทเราก็จะเพลิดเพลินอยู่ในความสนุกสนานมัวเมาในชีวิตทุกสิ่งอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงหมดมเดี๋ยวเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บป่วยต้องพัดพาจากของรักของชอบใจแล้วเราก็ต้องตายที่หนั่งที่นี้หลวงพ่อชื่อว่าตายหมดทุกคนแหละหลวงพ่อก็ตายลูกนเรก็ตายศีลจ้านีก็ตายแม่ชีก็ตายพี่ใครรอดชีวิตได้หรอจะตายช้าตายเร็วตายหมด นั้นเราต้องตายแน่นอนนั้นเราจะประมาทไม่ได้เลยว่าเราจะมีอายุอยู่ถึงตอนนู้นตอนนี้บางคนเรียนไม่จบก็ตายบางคนก็ตายตอนโตบางคนก็ไปตายตอนแก่บางคนก็ป่วยตายบางคนซวยเกิดอุบัติเหตุตายก็มีความตายเป็นของที่ไม่แน่ไม่นอนเกิดขึ้นได้เสมอถ้าเราไปดูข่าวแต่นหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยจะมีอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นทุกวันคนที่ตายเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะตายนะบางทีวิ่งรถไปดีๆเนี่ยรถฝั่งตรงข้ามเนี่ย เสียหลักข้ามเลนมาชนฝั่งนี้ก็มีคนเขาซ ว, วยถึงเขาตายชายอยู่คนนึงลงมาเยี่ยวอะ่ะเยี่ยวที่ปั๊มนะที่กองยางเนี่ยตรงมีที่เลือกเยอะแยะดันไปเยี่ยวตรงที่มีงูเห่าอยู่งูเห่าก็เลยพ่นตาบอดทั้งสองข้างเลยอันนี้เขาเรียกว่าเขาซ ว, วยถึงเขาแล้วตาบอดมีอยู่ชายอยู่คนหนึ่งนะจบปริญาโทรมาอันนี้ข่าวจากไทยรัฐเมื่อนานมาแล้วแล้วก็ไปฉลองเมาเหล้ารถก็วิ่งขึ้นทางด่วนนะแล้วแกก็จอดอ้วกข้าง น, นี่ข้างทาง ด, วด่วนนั่นแหละ ลุงนี้เชื่อไม่เกิดอะไรขึ้นรถสิบ ล, ลอ้อมันวิ่งมานะแต่ล้อมันหลุดมันไม่ได้ชนหรอกไอลอ้อไอล้ออันที่หลุดนี่แหละมันวิ่งมาชนไอคนจบปียาโทรคนเมาเนี่แหละตายขาที่เลยแ ล, ล้วสิบล้อมันก็วิ่งไปมันไม่รู้หรอกว่าลอ้อหลุดเหลือเก้าล้ออันนี้เขาเราียกคนถึงข่าวตายลุงเนี่ยอย่าหัวลอ้ออะไรอย่าไปไล่ต่อไปก็ได้คนถึงข่าวตายนี่มันถึงอยู่ๆเนี่ยมันจะเกิดเจอแจ็คพอตได้ฟามซูเอเกิดขึ้นได้เมื่อทําความดี มันสวดมนแผ่เมตตาเยอะๆแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรเพราะเราไม่รู้ว่าเราเคยเคยร่วงเกิดใครไว้ในอดีตในชาติหรือในชาติปัจจุบันแล้วลูกเนนจะต้องทําความดีเยอะๆเชื่อพี่เลี้ยงมันเจริญสติอันนี้ช่วยได้แก้ให้กรรมหนักเป็นกรรมเบาแต่ถ้าลูกเนยประมาทถึงข่าวซวยมาก็มีใครช่วยได้นะชีวิตประมาทไม่ได้ชีวิตของไม่เที่ยงสุดท้ายนี้ขอให้ลูกเนนศิลจาริณีอยายสามทุกท่าน มีความสุขความเจริญทำยิ่งขึ้นไปก็ขอจบลงแค่นี้